ในายใหญ่เดินไม่ไหวขี่คอขยินไปก็ได้เจ้านักเรียนชาวดอยยิ้มยิงฟันขันอาสาออกมาอย่างแข็งแรงเชษถฐาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเอื้อมมือมาตบไหล่อดีตนายบ้านหล่มช้างผู้บัดนี้กลายมาเป็นคนของเขาขอบใจเจ้ามากขยินแต่ถ้าฉันขี่คอเจ้าเสียแล้วใครจะเป็นคู่กับแง่าสายหาผีไปนั้นจริงของในายใหญ่ขยินยิ้มแห้ง แล้วหันไปฉวยขวดเหล้าป่าที่บุญคำถือจิบอยู่มาดื่มอักๆหน้าตาเฉยบุญคำเอาตีนถีบยันเข้าให้ที่สีข้างพร้อมกับสะบดดา่าขมถมเถแต่เจ้ายักษ์ใหญ่ไม่สะดุ้งสะเทือนทุกคนหัวเราอคลืน้นเคลงพอเหงื่อมาดแล้วพินให้สัญญาณออกเดินทางต่ออย่างบุกบันการได้พักแม้จะช่วยระยะเวลาสั้นๆก็ช่วยให้ทุกคนกาลังกลับคืนมาทิศทางเดินคงตายขาวมุ่งตะวันออกอยู่ตามเดิม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 มองอยู่สี่ด้านซ้ายขวาสูงต่ำแล้วก็ออกจ้ำอ้าวไปบ่อยครั้งที่เขาหยุดรออยู่ที่เบื้องหน้าทำมือเป็นสัญญาณเตือนให้คณะเดินเรียบชิดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยเฉพาะนั่นหมายถึงให้หลีกสิ่งอันตรายต่างๆหากไม่ใช่ต่อหรุมตัวขนาดหัวไม่มือที่ขุดโพรงทำรังอยู่กับพื้นดินโดยมีใบไม้กรบอําพางเป็นกรดเป็นกลดักเพื่อรอให้เหยื่อตกลงไป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 ดาดินถูกขนาบอยู่กลางปิดท้ายด้วยเชษฐาเบื้องหลังอีกหกคนที่แบกหามอยู่ก็ค่อยๆพ ย, ยุงตายกันขึ้นมาชนิดตัวรีบแต่สำหรับคนเหล่านั้นไม่มีอะไรจะต้องห่วงเพราะค่องแคล่วจัดเจนดีอยู่แล้วในภัยป่าจะรู้ได้ยังไงนี่ว่าบริเวณไหนเป็นหลุมของมันชา ย, ยันถามเบาๆอย่างหนักใจก้มลงมุดลอดกิ่งไม้เตี้ยแทรกตัวผ่านตามหลังเขาไปอย่างยากเย็นสังเกตให้ดีครับ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 แสดงว่าข้างใต้เป็นโพรง ม, มีใบไม้ปกคลุมอยู่เพียงเบาๆเท่านั้นเขาทิ้งกิ่งไม้ที่ทดลองแหย่ให้ดูนั้นเสียบคาเป็นเครื่องหมายสังเกตเห็นได้ชัดสําหรับทุกคนที่ตามมาข้างหลังชายยันและเชษฐาคลางออกมาเบาๆในราคออ ย, ย่างหวาดเสียวกวาดตา ม, มองสํำรวจไปทางด้านอื่นๆด้วยอาการหายใจไม่ทั่วท้องไม่มีทางอื่นที่มันปลอดภัยกว่านี้หรือหัวหน้าคณะพูดเบาๆผมกําลังคิดอยู่เหมือนกันครับ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 อะไรชนิดหนึ่งเป็นเงาดํามืดเผ่นบูบลงมาจากคาคบไม้ในระดับพื้นราชาที่สูงขึ้นไปประมาณ78วาใบาไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆที่พื้นตรงนั้นกระจายโครมครามระพินผู้กําลังยืนกวาดสายตาไปรอบๆ ร, ร, รอคอยคณะพักอยู่ซุดตัวลงนั่งโดยเร็วพร้อมกับสลัดไหลเฟืองออกจากไกลประทับขึ้นแต่ขเขาก็จ้องเฉยอยู่เช่นนั้นโดยไม่ร่างไกลเจ้าสิ่งที่เผ่นลงมาจากคบไม้เบื้องสูงคือเสือดําขนาดหม้าอันเจ็ดเชี่ยน ขณะนี้มันกาลังเพ่นตะกุยหนีขึ้นเนินไปอย่างตื่นตกใจระยะนั้นมีแต่ลําต้นของไม้ใหญ่ปราจากพุ่มไม้บางจึงเห็นมันคั้วบุเรงอยู่อึดใจเต็มๆชายยันมัวตกตลึงยืนตัวเคเยนปืนยังสะพายอยู่กับไรดาลินผงะถอยมาชนพี่ชายแล้วตะวัดจุด300แม็กนั่มขึ้นไหรแต่เชิดาปัดเสย ป, ปากกระบอกขึ้นเสียก่อนร้องห้ามเหลวปือ้อย่ายิงน้อยปล่อยมันเถอะนักมานุษยวิยาสาวยั้งไว้ที่ทันควันเหมือนกัน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 ก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาสําหรับการติดตามของเราในครั้งนี้เลยดารินพูดแผ่วเบาหลี่ตาลงสมมุติว่าแง่ทายตามสองคนนั่นทันป่านนี้ก็คงพากันเดินทางเงียบหายเขากลีบเมฆไปหมดดีเสียอีกที่แง่ทายถอยกลับมาเสียก่อนและมาร่วมกับเราในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดก็ยังทําให้เราได้กระแสข่าวล่าสุดจากแง่ทายบ้างอย่างที่ได้รับอยู่นี่ระหว่างที่เชษฐาและชัยยานจมนิ่งอยู่ในห้วงคิด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 แต่เขาเรียกว่าจุดใต้สองตอนทีเดียวแหละเจตนาโดยตรงที่จะให้นักเรียนนอกเยอรมันฟังออกและเข้าใจอดีตนักเรียนนายทหารจากเยอรม น, นีผู้กลายมาเป็นพรานภัยนิ่งอหูทวนลมพี่ชายหันไปมองหน้าน้องสาวด้วยสายตาตำหนิหล่อนจึงเบื่อนหน้าเป็นเสียทางอื่นยิ้มยิ้อยู่ในทีสงบปากคําลงเอาละหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยมาเราไปถึงเขาหัวแรงเป็นใช้ได้เสียเวลาไปบ้างสักสี่หชั่วโมงมันจะกละไนัก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 บกวนเสียจนเราเองก็จำไม่ได้เมื่อสาวทางกลับมาตามเข็มทิศ ท, ที่บอกไว้แน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าจะให้มันกลับมาตรงเพิงอย่างที่ตั้งแคมป์ซึ่งเป็นจุดเล็กนิดเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ก็เพียงสามารถย้อนกลับเข้ามาอย่างละแวกใกล้เคียงเท่านั้นจากนั้นเราก็อาศัยสังเกตด้วยตาและความจําเอาเองโดยจุดหมายต่างๆที่บอกไว้แต่แรกว่าคือพวกต้นไม้ภูเขาราห้วยอะไรเหล่านี้